ในวิธีการแสดงธรรมของภาษารรบุตรกล่าวถึงในอัตกถาอัตกถาชี้แจงว่าวิธีการแสดงธรรมของภาษารรบุตรเนี่ยนะท่านอุปมาเหมือนกับช่างจักสารเนี่ยนะช่างจักสารที่ที่อะไรหน้า530ข้างล่างบอกว่าเหมือนอย่างว่าช่างจักสารผู้ฉลาดเนี่ยนะก็ไปตัดไม้ไผ่มาหนึ่งลำ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 ทนี้มันผ่าทีละห้าซีกพร้อมกันเลยเนี่ยได้ไหมบอกอยากก็วางไว้สี่ซีกก่อนแล้วเอาซีกที่เอาหนึ่งซีกนั่นแหละมาผ่าออกเป็นห้าเซี๊ยวจากห้าเซี๊ยวนั้นก็วางไว้ก่อนสี่เซี๊ยวแล้วก็มาผ่าเอาหนึ่งเซี้ยวมาเกลดเรียกว่าเป็นส่วนท้องส่วนภายนอกกับส่วนส่วนด้านในกับด้านนอกเนี่ยนะเรียกว่าด้านท้องกับด้านหลังเรียกว่าด้านผิวกับด้านท้องของไม้ไผ่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 แค่ว่ามาจักมาสารเป็นเครื่องจักสารเนี่ยนะเป็นเครื่องสารเป็นฉลอมเป็นกระบุงเป็นอะไรเป็นต้นที่โดยใช้โดยไม้ไผ่แต่เบื้องต้นนั้นก็ต้องอะไรนะมาตัดก่อนนะเป็นหนึ่งต้นตัดออกเป็นทอนเป็นสท่อนวางไว้ก่อนสท่อนแล้วก็เอาหนึ่งท่อนมาผ่าเป็นหซีกแล้วเอาหนึ่งอีกหนึ่งนั้นมาผ่าเป็น5้าเี้แล้วก็เอาอีกหนึ่งนั่นแหละมาผ่าเป็นส่วนหน้ากับส่วนหลังเนี่ยนะ แล้วก็ทําอย่างเงี้ยไปจนจนทุกชิ้นจนสําเร็จเสร็จแล้วก็มานั่งมาจักมาสารก็จะเป็นเครื่องใช้เนี่ยนะเป็นเครื่องสารฉั้นใดฝ่ายพระมหาเทระคือพระสารีบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยนะเริ่มตั้งพระสุตันตะใหญ่คือสูตรใหญ่เป็นสูตรใหญ่มากนะสูตรใดที่ยกอริยสัจมาตั้งสูตรนั้นชื่อเป็นสูตรที่ใหญ่มากเลยถ้าขึ้นต้นด้วยอริยสัจเนี่ยถือว่าสูตรใหญ่มากเพราะอริยสัจเนี่ยเป็นเป็นเป็นธรรมเทศนาของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดจะปิดกสามอ่ะนะปิดกทั้งสมนี่ก็มุ่งอธิบายอริยสัจนั่นแหละท่านก็เลยยกอริยสัจขึ้นมาก่อนเปรียบเหมือนนายช่างศารได้ไม้ไผ่ที่ดีแล้วก็แบ่งออกเป็นสส่วนฉะนั้นเนี่ยนะแบ่งไม้ไผ่อ่ะนะได้หนึ่งลำมาตัดเป็น4ส่วนก็เหมือนกับอริยสัจนั่นเอง พระเถระเว้นสัจจะสข้อหลังก็คือเว้นสมุทัยนิโรธมักเอาไว้ก่อนถือเอาทุกขสัจจะอย่างเดียวจำเนกออกมาเป็นห้าขันห้าส่วนก็คือโดยความเป็นขันห้าเหมือนจากสาที่เว้นเว้นไเว้นสามท่อนแล้วก็เอาท่อนเดียวเนี่ยมาผ่าออกเป็นห้าซีกห้าส่วนจากนั้นพระเถระก็เว้นนามขันสี่ เวทนามระคันคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถือเอาเฉพาะรูปประคันนี้รูปประคันก็มาทําให้เป็น5ส่วนหเซี่ยวอ่ะนะห้าเซียนะเซ่ยวคืออะไรคือเป็นภูตรูป4ี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4ี่อีกหนึ่งอ่ะนะหส่วนก็คือมหาภูตรูป4ี่เป็น4ส่วนเลยใมมหาภูตรูปแต่ละอย่างก็เป็นอย่างละอย่างละส่วนอย่างละส่วนก็เท่ากับ4ส่วนอุปาทายรูปเป็นหนึ่งส่วนเปรียบเหมือนช่างจักสารเนี่ยนะ เว้นสส่วนแล้วก็ถือเอาส่วนหนึ่งพ่าออกเป็นห้าเสี้ยวฉะนั้นจากนั้นก็เว้นอุปาทายรูปออกไปและเว้นธาตุสามอย่างออกไปเนี่ยนะอุปาทายรูปไม่พูดถึงน้ําไฟลมยังไม่พูดถึงเอาปฐวีธาตุอย่างเดียวมาแสดงออกเป็นสองส่วนปฐวีธาตุคือธาตุดินสองส่วนนั้นก็แบ่งเป็นธาตุดินภายในกับธาตุดิน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 ถือเอาเฉพาะรูปภายในคือปัทวีทาธาต์ภายในโดยอาการ20เนี่ยนะอันนี้เป็นวิธีการแสดงเนี่ยนะอริยสัตว์มี4เวน้นสัจจะสามถือเอาแต่ทุกมาอย่างเดียวทุกขสัจจะมี5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถือเอาแต่รูปมาอย่างเดียวแล้วรูปนั้นก็แบ่งออกเป็นภูตรูป4ี่และอุปาทายรูปหนึ่งเป็น5เว้นภูตรูปเอ่อเว้นภูตรูปอุปาทายรูปถือเอาปัทวีมาอย่างเดียว ปัวีก็เอามาเป็นอะไรนะแบ่งออกเป็นสองคือปัทวีภายในกับภายนอกเว้นภายนอกออกไปหรือเอาแต่เฉพาะภายในเนี่ยนะภายในก็มามาซอยอีกนะมาทําให้บางๆบางๆก็เท่ากับเป็นกี่กี่เซี่ยวกี่ชิ้น20บชิ้นก็เลยแสดงเป็นมหาภูตรูปคือปัทวีธาตุเนี่ยนะยี่สิบส่วน20สบส่วนที่อยู่ภายในอันนี้ในที่หนึ่งเนี่ยนะในที่หนึ่ง แต่ทีนี้ที่จริงแล้วเนี่ยถามว่าอ้าวแล้วอริยสัจ ท, ที่3ข้อที่เหลือเอามาแสดงไหมสมุทัยนิโรธมัตแสดงไหมแสดงแต่ว่ามีใครพูดทีเดียวพร้อมกันเมาวรวบทีเดียวหรอกกันนะก็เอามาแสดงเหมือนกันแล้วขันห้าขันที่เหลือเอามาแสดงด้วยไหมบอกแสดงแต่นะแต่พูดเอารูปก่อนแล้วรูปทั้งหลายเนี่ยยกปฐวีมาอย่างเดียวแล้วอย่างที่เหลือเอามาแสดงอีกไหมเอามาแสดง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 ก็ ว, ว่าเอาขันห้ามาแสดงลงภายในทวารหเอาขันห้าในทวารหมาประชุมลงปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ประชุมลงอริยสัจตามทวารต่างๆนั่นแหละอันนี้เป็นใจความโดยสรุปของพระสูตรนี้เป็นอย่างนี้อันนี้อุปมาที่หนึ่งอีกอุปมาหนึ่งะนะเปรียบเหมือนข้ออุปมาด้วยราชบทเนี่ยนะอุปมาด้วยราชบทเปรียบเหมือน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 ไม่ใช่เอามาแจกกลีย์ทีเดียวเลยนะเมื่อมีงานมีการก่อนค่อยเอามาแบ่งให้น้องๆเขาใช้นะบอกถามทําไมอ่ะเอาถ้าแจกซะทีเดียวหมดเดี๋ยวคนน้องเอาไปทิ้งไปคว่างที่ไหนหมดก็ไม่รู้เนี่ยนะก็ต้องค่อยๆแจกค่อยๆ แ, แบ่งกันไปเชษฐโอรสลูกชายองโตก็ทูลรับว่าพระเจ้าข่าแล้วก็เอาอันนะเอาอะไรเอาเครื่องหีบทองเป็นต้นเนี่ยไปไว้ในห้องเก็บราชสมบัติในวันมหรสพเช่นนั้น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 พระโอรสเหล่านั้นก็รับพระดํารัสแล้วก็พากันไปหาเชษฐโอรสลูกชายคนโตเนี่ยนะหรือพี่ชายคนโตแล้วก็ทูลขอเครื่องประดับจากเชษฐโอรสเชตทโอรสคือพี่ชายองค์โตนี่ก็นํานําเข้าไปในห้องไม้จะเอาหีบใหญ่ทั้งสี่ใบออกนะหีบมีใหญ่ๆที่เก็บสมบัตินี่มีสี่หีบด้วยกันเอาไว้ก่อนสามหีบก็เปิดเปิดหีบที่หนึ่งหีบที่หนึ่งมันก็มีหีบเล็กๆอยู่ข้างในอีก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 พระษาริบุตรก็เหมือนกับเชตโอรสคือพระอรสองค์โตที่สุดเนี่ยนะเป็นโอรสองค์โตที่สุดของพระราชาอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายบุคคลเมื่อจะเรียกโดยชอบพึงเรียกพิกษุนั้นได้ว่าอันเรียกพิสูจนนั้นคือสารีบุตรว่าภาษาธิบุตรนั่นแหละเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดแต่โอรคือคําสอนเป็นโอรสที่เกิดจากธรรมเป็นโอรสที่ทํามนระมิตร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 นั้นคนนั้นคือใครก็คือภาษารียบทภาษารียบนี้เกิดจากโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเพราะภาษาเรีตรเกิดจากพระธรรมเทศนาฟังแล้วได้ตรัสรู้ธรมรมภาษาเรีตรเกิดจากโล ก, กุตระธรรมโลกุตระธรรมเนรมิตภาษาเรียบขึ้นภาษาเรีตรนั้นเป็นเสนาบดีโดยโดยธรรมแล้วก็โดยโลกุตระธรรมเนี่ยนะภาษารีบรารบรบยบนั้นเป็นผู้เป็นธรรมทายาลับมรดกของ พระพุทธเจ้ารับมรดกคือศาสนาธรรมคำสอนรับมรดกคือโพธิปัจญยธรรมทั้งมวลของพระพุทธเจ้าไปภิกษุสง์เหมือนใคร น, นะพระพุทธเจ้าเหมือนพระมหาราชาใช่ไหมภาษารีบทเหมือนโอรสองโตภิกษุสงทั้งหลายก็เหมือนราชโอรสมากกว่าพันของพระองค์อย่างที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุมากกว่าพันรูปเข้าไปเฝ้าพระสุคตผู้แสดงธรรมปราศจากทุรี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 โมหะไม่เชื่อไม่เจือปนด้วยกิเลสและองทุลีบาปอกุศลธรรมเหล่าอื่นเลยพระองค์ไม่มีตันหาที่ชื่อว่าวาณะวาณะนี่เป็นตัวเชื่อมโยงตันหาที่ชื่อว่าวาณะเนี่ยเป็นตัวเชื่อมเชื่อมอะไรเชื่อมกรรมให้มีผลนะเชื่อมกายกรรมให้รับผลต่อไปเชื่อมวจีกรรมให้รับผลต่อไปเชื่อมมโนกรรมให้มีผลต่อไปเชื่อมกากจากภพหนึ่งสู่พบ เชื่อมจากการมาพบสู่อรูปประพบและอรูปประพบเนี่ยนะเชื่อมจากเกิดในคันให้ไปเกิดในคันต่อไปเชื่อมจากเกิดในคันให้ไปเกิดในไข่เชื่อมจากเกิดในคัน์ให้ไปเปิดเป็นโอปปาติกะเกิดเป็นสังเสทชะเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งพระองค์เนี่ยไม่มีตันหาที่เชื่อมต่อจากพบหนึ่งไปสู่พบหนึ่งอีกแล้วเพราะลักษณะของตันหาทั้งหลายเป็นตัวที่เชื่อมอ น, นะคือตัวที่เชื่อมตัวที่นําเกิด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 ตนของตนเนี่ยฉลาดเท่าพระพุทธเจ้าวินิจฉัยใคร่ครวนจนครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็ตําหนิพระองค์งเองไม่ได้ผู้อื่นพิจารณาโดยรอบครอบทีท่วนแล้วก็ตําหนิติเตียนไม่ได้พระพุทธเจ้านี้พระองค์งอนุโมทนาพระองค์งเองไหมอนุโมทนาพระองค์งไม่เคยนั่งด่าตัวเองหรอกเนี่ยนะสองแล้วผู้ที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายเขาอนุโมทนาไหมพระพุทธเจ้าในอดีตเขาอนุโมทนาพระองค์งจะได้เป็น พระพุทธเจ้ า, า أ, พระองค์เองก็อนุโมทนาต่อตัวเองสาวกทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็อนุโมทนาในพระองค์เพราะอนุโมทนาในพระองค์นั่นแหลเราจึงสวดว่าอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุกโตเป็นต้นนี่ก็คืออนุโมทนากับพระองค์นั่นแหละมันพระองค์จึงไม่มีภยัยไม่มีความหวาดผวาไม่มีความหวาดสะดุง้งเพราะตัวเอง ต, ติเตียนตัวเองไม่ได้ผู้รู้ทั้งหลายวินยูชนทั้งหลายติ ไม่ติเตียนพระองค์มันพระองค์จึงเป็นผู้ที่ไม่หวาดไม่ระแวงไม่าวาไม่หวั่นไม่สะดุง้งเนี่ยนะมันพระองค์มีพระพิสุขเข้าไปเฝ้าเป็นพันรูป